พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกคือปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการการปฏิบัติธรรมคือความเพียรพยายามที่จะมีสติสัมปชัญญะคือความระลึกรู้สึกตัว ทั่วพร้อมอยู่เสมอเสมอโดยตั้งสติอยู่ที่สติปัฐานสี่ได้แก่กายเวทนาจิตธรรมจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงคือรู้เห็นรูปนามปรมัติเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงถอนความยึดมั่นถือมั่น สำคัญมั่นหมายผิดที่ว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาออกไปเกิดความรู้ความเข้าใจในสังขารคือสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตและสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหมดล้วนแล้วเป็นเพียงธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไป เป็นธรรมดาพระครูเกษมธรรมทัตวัดมเหยงให้พวกเรามามีสติ กับการฟังธรรมะเรื่องการเจริญสติพร้อมๆกันสติเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นมาต้องเจตนาทําให้มีขึ้นในจิตใจเราเราจะปล่อยให้สติมันเกิดขึ้นเองเนี่ยตามสัญชาตญานบางทีมันเป็นไปได้ยากอาจจะไม่ทันการอาจจะไม่เพียงพอ เราจึงต้องมาเจตนาสร้างมันขึ้นมาให้มีขึ้นในจิตใจเราเยอะๆให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเรามังยับเคยชินกับการที่ขาดสติหลงลืมสติปล่อยให้จิตใจเราเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆอันนั้นคือความเคยชินเก่าๆ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเราควรจะสร้างความเคยชินใหม่ๆคือให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆคือให้มีสติให้เป็นความเคยชินใหม่ๆตัว เ, เป็นบุญกุศลยอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ต่อไป เ, เราก็จะไม่เผลอเราจะมีสติอยู่เสมอๆในการทําการพูดการคิด อันนี้ถือว่าเป็นความเคยดชินใหม่เขาเรียกว่าอัตโนมัติที่จะไม่หลงลืมสติการฝึกจิตสติเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ๆทุกครั้งทุกวันเนี่ยตัวเป็นการดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มได้ทุกวันชีวิตใหม่ให้มันใหม่อยู่ทุกวันใหม่ของการฝึกจิตสติก็คือการมามีสติละลึกรู้ลงไปที่กายของเรา สติปทานสี่เนี่ยขอให้เรามามีกายเป็นหลักในการปลูกสร้างสติขึ้นมามันง่ายเพราะว่ากายเนี่ยมันชัดเจนเมื่อเราเห็นกายแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเวทนาจิตธรรมะเราก็จะเห็นตามมาเพราะว่าเขาเกิดต่อเนื่องกันแต่เริ่มต้นขอให้เราเอากายเป็นหลักก่อนเพื่อความชํานาญของสติ เวลากายเคลื่อนไหวให้เรามีความรู้สึกตัวลงไปที่กายของเราให้รู้ง่ายๆเบาๆรู้สบายๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเวลาเราเคลื่อนไหวให้เรารู้ง่ายๆอย่างนี้แหละใจจะได้ไม่เครียดทํชาช้าๆก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีสติลงไปได้ รู้กายให้ํานาญเราต้องขยันต้องมีความเพียรที่จะระลึกรู้ไปที่กายของเราให้มีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเราก่อนรู้ต่อไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องกันานานๆยิ่งดี mm hmm. เวลามันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันคิดแล้วก็ทิ้งความคิดนะกลับมาเจตนารู้ที่กายใหม่ๆเนี่ย อาจจะเป็นสติธรรมดาธรรมดาแต่พอเราจเจริญไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่สติธรรมดาแล้วมันจะเข้าถึงความรู้สึกตัวจะประกอบด้วยสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้เป็นสัมปชัญญะมันพัฒนาขึ้นมาแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวเราก็รู้คิดก็รู้จะทำอะไรก็มีสติรู้ตามไปหมดเลยอันนี้ ค, ความรู้สึกตัวรู้ละเอียดแม้กระทั่ง จิตมันคิดนึกอะไรเนี่ยอันนี้สติมันพัฒนาขึ้นมาเป็นความรู้สึกตัวแล้วคือมีสัมปชัญญะถ้าสติสัมปชัญญะรวมกันเมื่อไหร่แล้วก็ในหลักคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาคือภาวะที่ดูสติสัมปชัญญะจะเป็นการดูแล้วจะมีตาขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่ตานอกเป็นตาภายในคือตาปัญญาจะเริ่มมีการดูแนละ้วดูอะไรดูกายเมื่อมีการดูมันก็ย่อมมีการเห็นนะเห็นกายที่เคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในาเห็นด้วยความรู้สึกของจิตที่มันรู้อยู่ภายใน กายเคลื่อนไหวสติก็ดูสติดูกายกายที่เคลื่อนไหวนั้นเป็นรูปเนี่ยมันเริ่มเกิดปัญญาแล้วกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นรูปมันจะเห็นรูปเห็นนามแนละ้วการเคลื่อนไหวของกายนี่ก็เป็นรูปแต่ผู้รู้นี่ให้รู้อยู่ภายในอย่าเข้าไปอยู่ในรูปให้รู้อยู่ที่จิตของเรา แต่ว่าสังเกตดูรูปจะผ่านมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะแยกแย ก, กันละรูปนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของกายมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราจะเริยเป็นความไม่เที่ยงคือรูปเนี่ยมันจะแก่จะเจ็บจะตายจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปทางด้านโน้นเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปทางด้านนี้น ม, นนนนมันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกนั่นะคืออาการของรูป ที่มันไม่เที่ยงผู้ดูก็ต้องรู้เอาไว้แต่รู้แบบดูนะอย่าเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นคือความไม่เที่ยงของรูปมันถูกใช้ให้เคลื่อนไหวโดยสติเป็นผู้ที่ใช้แล้วก็ไม่ใช่มีรูปอย่างเดียวมันมีอาการที่เกิดขึ้นมากับรูปอาการต่างๆของรูปเนี่ย่ยางเช่นอะไรความปวดความเมื่อย ที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่รูปมันเป็นอาการอาการที่อาศัยรูปเกิดรูปก็คือรูปคือส่วนของกายแต่อาการคือส่วนของอาการนี่ที่เกิดมากับรูปแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทุกขเวทนาเนี่ยอาการเนี่ยบางทีมันปวดมากที่มันค่อยๆ ค, คลายลงไป บางทีมันก็หายไปเห็นไมไม่แต่อาการของรูปเนี่ยที่ว่าทุกเวทนาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกั น, นสติผู้ดูเนี่ยก็ต้องรู้เอาไว้รู้เอาไว้แม้กทั้งจิตเองเนี่ยคือผู้รู้เนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยจิตผู้รู้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงบางทีมันก็รู้บางทีมันก็หลงไม่รู้ตามที่เป็นจริง ความไม่เที่ยงของจิตเนี่ยอาจจะเห็นได้ยากหน่อยแต่ถ้าเราเจริญสติไปนานๆเราจะเข้าใจเราจะเข้าถึงความไม่เที่ยงของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเดี๋ยวรูเ้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวรู้เดียเด๋ยวไม่รู้สลับตับเปลี่ยนกันสตินี่ก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่มีติดอย่างเดียวเนีมันจะมีอาการที่เกิดขึ้นมากับจิต ซึ่งไม่ใช่จิตอะไรคืออาการของจิตคือความคิดนึกปรุงแต่งที่มันผุดขึ้นมาในจิตใจของเราที่ไม่เกิดจากตัวผู้รู้นี่เองให้เราอยู่ที่ตัวผู้รู้อย่าเข้าไปอยู่ในอาการของจิตคือความคิดความคิดหรืออาการต่างๆเป็นสิ่งที่ผ่านมาอยู่ภายนอกแต่เราก็รู้อยู่ที่จิต รู้ลงไปที่จิตเราจะเห็นอาการต่างๆที่มันผ่านซึ่งไม่ใช่เราซึ่งไม่ใช่จิตอาการของจิตเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคือความคิดต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวว่างเดี๋ยวดับชอบบ้างไม่ชอบบ้างเนี่ยนั่นคืออาการผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่าหลงไปตามอาการเหล่านั้น เขาไมา้เรารู้ไม้เราเห็นเราก็ตั้งหลักเป็นผู้ดูเอาไว้พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวผู้ดูผู้รู้อย่าเข้าไปอยู่กับอาการเหล่านั้นกายที่เคลื่อนไหวก็ดีอาการของกายคือทุกขเวทนาก็ดีจิตก็ดีอาการของจิตก็ดีสิ่งเหล่านี้มันรวมอยู่ในกายในใจของเราต้งนั้นที่ท่านบอกว่า สติประฐานสนี่ะเียใครปฏิบัติอย่างเนี้ยก็ต้องเห็นอย่างเนี้ยเพราะว่ารรมะแท้เนี่ยต้องรู้ต้องเห็นในสิ่งเดียวกันแล้วไม่ต้องไปคิดเห็นหรอกเพียงแต่เราขยันเจริญสติสร้างสติให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆตอนนั้นสติก็จะพัฒนาขึ้นเป็นความรู้สึกตัวจะเข้าสู่ภาวะที่ดูเลย ดูกายดูจิตดูอาการของกายดูอาการของจิตสิ่งเหล่านี้นะผู้ปฏิบัติเนี่ยจะได้พบได้เห็นเราเองเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นหลักสากลไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดก็ตามนับถือศาสนาใดก็ตามไม่เกี่ยวเพราะหลักสากลเนี่ยคือหลักของธรรมชาติมีขึ้นได้ในมนุษย์ทุกคนที่จะปฏิบัติ เขาเรียกว่าปัจจตังปัจจตังเนี่ยคือรู้ได้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติเนี่ยพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้มากๆากสร้างสติให้มากๆขยันสร้างสติขยันสร้างตัวผู้รู้เนี่ยก็จะเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้ของกายของจิตเนี่ยเมื่อเราดูบ่อยๆ เห็นบ่อยๆปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเองการดูนีน้ก็คือดูเฉยๆดูสบายๆอย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปเป็นกับอาการของกายของจิตให้ดูอยู่เฉยๆแต่บางอาการเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยสติแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นบ่อยๆมันก็เกิดความเบื่อนะ่ คือเบื่อหน่ายความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายที่จิตไม่อยากเข้าไปอยู่ไม่อยากเข้าไปเป็นความปล่อยวางเนี่ยเราไม่ต้องบอกพอเบื่อแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราซอาจจะเป็นความคิดคิดบ่อยๆเห็นบ่อยๆทําบ่อยๆได้บ้างก็ปล่อยวางไปเองจิตใจเราก็จะเบาสบายจะเบากายเบาใจ พอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นรูปนามหรือกายจิตเนี่ยเป็นตัวเราของเราเนี่ย ช, ชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยหรือโลกทั้งโลกเนี่ยก็มีแต่รูปแต่นามทั้งนั้นรูปนามเป็นสภาวะที่เป็นปรามัดเป็นของจริงแต่เราสมมติว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราสมมติเพื่อใช้ทาหน้าที่เพื่อใช้ทาหน้าที่ใช้ทาประโยชน์เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมการเจริญสติเราไปอ่านเอาคิดเอาฟังเอาอยัางไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเรามีที่เรียกว่าเป็นปัจจตังปัจจตังแปลว่าธรรมะเนี่ยอริญยุชนเนี่ยก็รู้ได้เฉพาะตน